การเรียนเรื่องศีล น, นะถ้าเรายิ่งอาชีวะปาริสุทิศศีลเนี่ยจะเน้นของพระภิกษุทั้งหมดเลยของคาราวะาไม่ได้พูดถึงเลยเนะเพราะว่าคาราวะานี้ท่านพูดกว้างๆไว้เลยว่าเน้นอาชีพที่เว้นจากกายธุจริตสาแล้วก็อาชีพที่เว้นจากวจีธุจริตสเนี่ยนะแล้วก็เว้นจากการค้าอีกหชนิด ที่เหลือนั้นเรียกว่าความบริสุทธิ์อาชีพของคารวะเดี๋ยนะคือเน้นอาชีพที่หนึ่งเป็นอาชีพที่เว้นจากการฆ่าสัตว์สองอาชีพที่เว้นจากการลักทรัพย์อาชีพที่เว้นจากการประพฤติผิดในการมอาชีพที่งดเว้นอาชีพที่ไม่ไม่อาศัยการมุสาว่าไม่ใช่อาชีพส่อเสียดไม่ใช่อาชีพทําให้คนแตกแยกกันนะนะส่อเสียด แล้วก็อาชีพที่ไม่ใช้คําหยาบอาชีพที่ไม่เพอร์เจออย่างนั้นเถอะอาชีพที่ไม่เข้าองค์เจ็ดอย่างนี้เรียกสัมมาอาชีพของคาราวะนั่นแหละแต่ว่ากับของพระภิกษุไม่เป็นอย่างนั้นของพระภิกษุนี้มีรายละเอียดกว้างขวางนี่นะเฉพาะในวิสุทธิมัติท่านก็ยกข้อความในพุทธพจน์ิยะต่างๆมาเรียบเรียงให้เราดูเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพทั้ง ในพรหมชาลสูตรก็ยกมาด้วยดังนั้นการเรียนเรื่องอาชีพเป็นต้นในวิสุทธิมรรคเนี่นะตรงนี้เน้นของพระภิกษุถามว่าเมื่อเราเข้าใจศีลของพระภิกษุนี่ถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้ามีคนจะถามในลักษณะนี้นี่นะโดยเฉพาะเรื่องอาชีพนี่นะประโยชน์ก็มีมากหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเวลาเราจะถวายสังฆทาน เมื่อเราทำบุญที่เรียกว่าทางสังฆทานก็คือปั จ, จัยสีของเราน้อมไปหาสงใช่ไหมคำว่าสง์ก็คือผู้สมบูรณ์ผู้เสมอการด้วยศีลและทิฏฐนะิผู้เสมอการด้วยศีลและทิฏฐิซึ่งมุ่งไปที่พระรยาสง์เมื่อมุ่งไปที่พระรยาสงเนี่ยพระรยาสง์สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิแล้วก็สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วศีลของพระสงฆ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมะเป็นเครื่องออกจากทุกข์หรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเมื่อเราไม่รู้จักเรื่องของศีลเป็นต้นการให้ทานของเราที่เป็นสังฆทานก็ให้ไม่ถูกเห็นไหมได้แต่สังฆทานเขาว่าอ น, นิสงส์เยอะก็เออสังฆทานไปกับเขา แต่ว่าเป็นสังฆทานโดยลักษณะใดก็ไม่เข้าใจเบางคนก็หิ้วสังฆทานไปถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ไม่ทำแหละกลับไปก่อนเนี่ย ว, วันหลังมาใหม่มาถามหาหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออยู่ก็ทำอันนี้สังฆทานก็นะไม่รู้สังฆทานยังไงก็ไม่ทราบเ น, น, นชื่อเนี่ยใช่แต่ว่าไอ้พฤติกรรมกับความคิดไม่ใช่บางทีก็หิ้วถังไปว่าเออเนี่ยถังสังฆทานมาืนเมื่อเราไม่เข้าใจความประพฤติดี ปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ตามนิยะแห่งศีลทั้งหลายเราก็ไม่สามารถที่จะน้อมใจให้เป็นสังฆทานได้น้อมใจไม่ถูกอย่างแน่นอนถ้าเราไม่รู้จักเรื่องของศีลเป็นต้นเพราะว่าศีลเน้นับว่าเป็นเบื้องแรกของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นสงฆ์ด้วยซ้าไปหรือว่าผู้ที่เป็นสงฆ์ก็คือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าสู่ความเป็นสงฆ์ด้วยเนี่ยนะ เนื่องว่าความปฏิบัตินั้นมีศีลเป็นเบื้องต้นนะศีลนี่เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติครั้งก่อนๆ น, นี้ก็พูดว่าเออศีลเนี่ยนะสำคัญต่อการปฏิบัติขนาดไหนก็บอกว่าศีลเนี่ยมีความสําคัญต่อการปฏิบัติเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของสัตว์สีเท้าเป็นต้นเนี่ยนะว่าสัตว์สีเท้าก็อาศัยแผ่นดินนี่แหละอยู่ แล้วก็พีชขามผู้ชักามต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายก็เวลาจะงอกเนี่ยต้นใหญ่ๆก็อาศัยแผ่นดินนั่นแหละศีลก็มีความสําคัญเท่ากับแผ่นดินทตนี้แผ่นดินนี่เล็กไหมละ่ะนะแผ่นดินนี่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วศีลเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลไหมเราก็ถามหาดูว่าอารมณ์อะไรบ้างที่ไม่ใช่อารมณ์ของศีลหาได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกๆอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของศีล เมื่อเป็นอารมณ์ของศีลเนี่ยเราสามารถที่จะไค้ครวญธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดลงกุศลศีลได้ไหมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายเป็นเรื่องๆกนันนะเพราถ้าหากว่าเราสามารถาวิเคราะห์ทุกๆอารมณ์ลงกุศลศีลได้เราก็จะมองเห็นรถผลัดที่หนึ่งแห่งการปฏิบัติได้ถ้าทุกๆอารมณ์เราไม่สามารถหยั่งกุศลศีลลงได้ปฏิบัติของเราไม่รู้เริ่มต้นตรงไหน เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่สามารถสงเคราะห์ลงเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมามศีลลงเลยเนี่ยปฏิบัติไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้เมือ่อไร่ขณะไหนก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ยังแค่ว่าคลําไปเรื่อยหาทางไปเรื่อยนะถามว่าหาทางไหนล่ะหาทางแห่งความบริสุทธิ์ใช่ไหมยอย่างที่เรากําลังเรียนนี่ก็คือเรียนวิสุทธิมรรคคาว่าวิสุทธิมรรคก็คือเรียนทางแห่งความบริสุทธิ์ ทีนี้เมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับทุกอารมณ์แล้วเราจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้อย่างไรเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยกุศล ศ, ร ศ, รศรีลเป็นต้นเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานแห่งการดําเนินข้อปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์เหล่านั้นๆนั้นเนี่ยศีลนั้นนับว่ามีความสําคัญในส่วนของการปฏิบัติในเบื้องต้นเนี่ยนะซึ่งพระองค์อุปมาเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะพระสูตรที่อุปมาให้ความสําคัญเหมือนกับแผ่นดินเนี่ย หลายแห่งนะหลายแห่งแม้แต่ภาษาริบุทท่านกล่าวไว้ในวิเวกถาปฏิสัมพิธามักท่านก็ยกข้อความอันนี้มาในสังยุตติกายก็ยกข้อความเกี่ยวกับเรื่องศีลมีความสำคัญเหมือนกับแผ่นดินและอีกส่วนหนึ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเรื่องศีล น, นี่นะ เราก็จะได้ทราบซึ่งถึงคุณของพระรัตนตรัยโดยเฉพาะ พ, พุทธคุณด้วยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะและก็ธรรมคุณเนี่ยนะถามว่าศีลเนี่ยเป็นธรรมคุณไหมคําว่าธรรมะนี่หมายคำว่ารักษาผู้ที่ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเนี่ยนะส่งไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเพราะฉะนั้นศีล ก็ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติผู้รักษาตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วใช่ไหมยกตัวอย่างแม้กระทั่งปาติโมกสังวรศีลถ้าหากว่าผู้ที่สังวรสํารวมระวังรักษาอยู่ในปาติโมกขะสังวรศีลผู้นั้นก็ไม่ไปสู่อบายน่นะเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเรามีความเข้าใจในกุศลศีลเท่าไหร่เราก็จะเห็นคุณค่าของธรรมังสารนังขฉ า, ามิของเราเท่านั้นแหล ะ, ะธรรมะ ของพระผู้มีพระภาคทั้งหมดเลยเนี่ยนะมีรถเดียวคือวิมุตติรถเนี่ยนะเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยนะเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัตทุกข์ทั้งหมดเรื่องของศีลเนี่ยนะมันเป็นเบื้องต้นแห่งเหตุแห่งความพ้นทุกข์ที่ยกข้อความตรงนี้มากล่าวก่อนเพราะเดี๋ยวเราเรียนไปโอ้มันขนาดนี้เลยเหร อ, อะนะคือบางคนเนี่ยจะทาใจไม่ได้ บอกอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะซึ่งแสดงว่าเราก็ไม่ไม่เห็นโทษภายของสังสารวัตจริงๆแล้วไม่เชื่อมั่นว่าทางนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้ต้องการความบริสุทธิ์ในศาสนานี้ต้องทําแบบนี้นะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้ําแต่ก็เป็นเครื่องชําระให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากบาปได้ถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่เพียงพอบา ป, ปรกรรมที่เคยทำเอาไว้เนี่ยจะไปเก็บไว้ที่ไหนลนะ่ะใช่ไหม เพราะว่ากุศลธรรมประเภทศีลเนี่ยนะศีลก็เป็นกรรมแต่เป็นกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมถ้าหากว่ากุศลศีลเหล่านี้ไม่บริบูรณ์เพียงพอจริงๆถามว่าจะสิ้นกรรมได้อย่างไรเนี่ยนะสิ้นกรรมไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะละบุญะจะละบาปลอยบุญเนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะอกีกถ้าหากว่ากุศลศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าวันนี้กล่าวถึงศีลของพระภิกษุ ซึ่งถ้าหากว่าพระภิกษุผู้ที่บวชไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาเป็นต้นที่จะรับข้อความเหล่านี้ก็ไม่ใช่ง่ายนัเนี่นะเพราะว่าเอ๊ะมันขนาดนี้เลยเลยนะครับางทีก็ศรัทธาเป็นอื่นเลยเนื่องจากว่าเขาขาดความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยว่าพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกแสดงธรรมะเหล่านี้เนี่ยธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางแห่งความหมดจด เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อก้าวล่วงพ้นจากวัตทุกข์แต่ถ้าหากว่าฟังแล้วก็มันเกินไปอย่างเงี้ยนะถ้ามีนะบางคนคิดในลักษณะนี้ว่าแล้วก็ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาบางคนก็ถึงกับปฏิเสธวิสุทธิมรรคไปเลยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยคัดข้อความมาจากพระไตรปิฎกไม่ใช่ท่านเขียนขึ้นเองนะนะคัดข้อความจากพระไตรปิฎกในแห่งต่างๆมา ซึ่งถ้าหากว่าเรากล่าวจ่วงจับอริยุประวาทก็น่าจะเป็นไม่ยากนะคำคำเดียวนี่นะยังจำได้เลยบอกว่าบางคนก็เป็นโสเภณีทั้งชาติคำคำเดียวบักคำคำเดียวนั่นแหละเป็นคอมทั้งชาติคำคำเดียวนั่นแหละเป็นขี้ข้าทั้งชาติคำคำเดียวนั่นแหละเป็นนักร้องทั้งชาติเนื่องจากคำคำเดียวนั้นถ้อยคาที่กล่าวถึง วิสุทธิมรรคเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้กล่าวด้วยกุศลจิตจริงๆเนี่ยนะคำเหล่านั้นเป็นถ้อยคำที่อันตรายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะพราะอย่าลืมว่าในโลกนี้วิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์ถ้าหากว่าผู้ใดมีความเห็นที่ขัดแย้งกับคำสอนเหล่านี้ก็น่าจะมีโทษเหมือนกันเนี่ยนะอมาเชื่อว่ามีโทษจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่สารณะก็คือสารณะเพราะสารณะจะไม่มีด่างพร้อยจกไม่มีเสียนีย่ที่กล่าวก็คือวจีวจีกรรมเนี่ยนะที่เราจะพูดพาดพิงถึงคำสอนในแง่ที่ไม่ดีเราก็จะได้สังวรสำรวมระวังเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่วจีทุจริตตาหนิติเตียนพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนับว่ามากจริงๆเนี่ยนะเป็นยุคที่ ที่ทำกรรมด้วยปากมากเนี่ยนะแล้วก็กรรมแต iana, ่ละกรรมนี่บางทีก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนับเป็นความโชคดีของคนยุคนี้อย่างหนึ่งที่พระอรหันต์ไม่ด่าดื่นเหมือนสมัยพุทธกาลถ้ามีเหมือนสมัยนั้นเนี่ยนะคงคงคงตกนรกค่อนข้างมากจริงๆเพราะว่าอินทรีย์สังวรไม่มีเมื่ออินทรีย์สังวรไม่มีสุดไอ้วัจจีทุจริตมันมากเนี่ยนะนึกอยากพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นโทษของวจิเจตนาอันนั้นเนี่ยมีมากมายยิ่งนะัะข้อความในวิสุทธิมักหน้าเจสิหเนี่ยนะซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของจตุปาริสุทธิศีลมาเข้าข้ อ, อที่3เนี่ยนะอาชีวะปาริสุทธิีสินในปาริสุทธิศีลหรือความบริสุทธิของศีลสีประการคือปาติโมขสังวรศีนหนึ่งอินทรียสังวรสินหนึ่ง อาชีวปาริสุทธิสีหนึ่งแล้วก็ปัจจยาสารนิสิตศีหนึ่งสี่อย่างนี้เป็นศีละวิสุทธิหากว่าผู้ใดทําทั้งสอย่างนี้ให้บริบูรณ์ผู้นั้นมีศีลวิสุทธิถ้าหากว่ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่บริบูรณ์ศีลวิสุทธิก็ก็ไม่บริบูรณ์นะถ้าหากว่าศีลวิสุทธิเหล่านี้ไม่บริบูรณ์คุณธรรมสูงสูงเขาก็ตั้งความปรารถนาได้แต่ว่าจะให้เป็นไปเลยคงไม่ได้ บันี้จะวินิจใช้ในอาชีวะปาริสุทธิ์ศีลที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในลำดับแห่งอินทรียสังวรศีลเห็นไหมที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านู้นใช่ไหมจาได้ไหมหน้าไหนที่กล่าวถึงศีล น, น่ยนะในหน้าห้าสิบสี่นะเปิดไปดูก่อนซึ่งท่านเรียบเรียงหัวข้อไว้ก่อนส่วนในหน้าเจ็สิบหกอันนี้กล่าวขยายถ้าหากว่าเราย้อนไปที่หน้าห้าสิบสี่เนี่ยนะ นับลงสี่บรรทัดบรรทัดที่สี่กล่าวว่าส่วนความงดเมงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับความก้าวล่วงศิกคาบทหกที่ทรงบัญญัติไว้เพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นกัลณะกัลณะคือเป็นเหตุนั่นเองกัลณะก็คือเหตุอีกเหมือนกันและโดยเกี่ยวกับบาปประธรรมทั้งหลายบาปประธรรมทั้งหลายนี้ก็คือบาปประธรรมที่พระองค์ได้ทรงสแสดงไว้ใน พรหมชาลาสูตรซึ่งจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งและก็บาปรธรรมอย่างนี้ว่ากุหนาความหลอกลวงลับปนาพูดยกยอเนมิตกาความเป็นผู้กระทานิมิตนิเปสิกตาความเป็นผู้พูดบีบบังคับลาเพนลาพังนิชิสิงสนตาความปรารถนาจะใช้ลาบอ่า น, นะนำเอาลาบไปดังนี้เป็นต้นใดนี้ชื่อว่าอาชีวปาริสุทธิสินซึ่ง จะยกข้อความในหน้า54เนี่ยนะไปขยายในหน้า76ต่อไปที่จริงคำพีนี่อัศคำพีอธิบายคำพีเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านแล้วถ้าสายเกียร์ถอยไม่ได้นะเราจะติดตามเรื่องต่อไปไม่ได้เน่นะต้องย้อนกลับไปหาของเดิมได้จะรู้ว่าท่านจะขยายของท่านไปตามลำดับคำว่าโดยเกี่ยวกับความก้าวล่วงสิกขาบท6ที่ทรงบัญญัติไว้เพราะอาชีวะเป็นเหตุ เห็นนะก็คือเพราะการเลี้ยงชีวิตเป็นเหตุคือความประสงค์ว่าด้วยอาการอย่างนี้เราจะหาเลี้ยงชีวิตไม่ลําบากด้วยปัจจัยทั้งหลายเห็นไหสิกขาบท6เนี่ยนะบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินของพระเลยว่างั้นเนี่ยนาของพระเลยว่างั้นท่านทำ น, นาถูกหรือนาผิดก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะอาชีวะเป็นกรณะความว่าสิกขาบท6ที่ทรงบัญญัติไว้ยอย่างนี้ว่าเพราะอาชีวะเป็นเหตุ เพราะอาชีวะเป็นกรลนะภิกษุมีความปรารถนาลามกถูกความปรารถนาถูกความอยากครอบงํากล่าวอวดอ้างอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยต้องอบัตปาราชิกนะเพราะปารลบอาชีพนั่นแหละพระภิกษุจึงอวดอุตริมนุสธรรมเลยเป็นอบัตปาราชิกคําว่าปาราชิกนี้เป็นคําที่บอกว่า ด้วยว่าศีลเป็นอายุของภิกษุศีล น, นั้นย่อมไปปราดในเวลาพร้อมกับการพูดอย่างนั้นของพิสูจนั้นด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่าเป็นอบัตตาราชิกคือถ้าหาว่าพระภิกษุเนี่ยนะพูดถ้อยคําในลักษณะในเงื่อนไขอันนี้เนี่ยเป็นปาราชิกทันทีเลยพร้อมกับคํานั้นเนี่ยศีลหลุดเลยเพราะ ง, งั้นเธอเขบอกว่าเหมือนตามยอดด้วน่ไหเพราะ ง, งั้นไม่งอกเงินอีกต่อไป เขาบอกว่าภิกษุมีความปรารถนาลามกเนี่ยนะคว่าปรารถนาลามกก็คือปรารถนาเป็นบาปขาบอกว่าความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยความปรารถนาในอันยกย่องด้วยคุณที่ไม่มีอยู่ในในตนเช่นตัวเป็นคนไม่มีศีลหรอกแต่ตั้งใจให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีศีลเราไม่มีสมาธิแต่ตั้งใจให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นสมาธิเป็นต้นนี่เขาเรียกว่าปรารถนาที่เป็นบาปเขาว่าไง แต่ถ้าหากว่าคุณธรรมเหล่านั้นมีจริงๆปรารถนาจะให้คนอื่นรู้อันนี้ เ, เรียกอะไรรู้ไหม เ, เรียกมักมากัน น, นมีและถ้าบอกคนอื่นเนี่ย เ, ยเรียกมักมากถ้าไม่มีแล้วอยากให้คนอื่นรู้ว่ามีเขาเรียกว่าปรารถนาเป็นบาปคำว่างั้น <S <s อ่ามักมากนี่ก็ต้องไปดูนะว่าเช่นพระภิกษุที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วบอกว่าเป็นพระโสดาบันจริงเนี่ยเป็นอบัติเหมือนกัน นะเป็นอ ბ ัตต์ปาจิตีเพราะฉะนั้นความดีบางอย่างก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาบอกอะไรเขาบอกว่าพระรยาสาวกสาวกทั้งหลายจากไม่บอกคุณที่มีอยูนะนะ่ของตัวท่านให้คนอื่นรู้เหมือนกับคนมีทรัพย์ไม่ปราถนาจะให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองมีทรัพย์เท่าไหร่ถามว่าคนมีสตังนนนในกระเป๋า เ, เดินไปไหนแล้วบอกคนอื่นว่าชั้นตอนนี้มีเท่านี้มีใครบอกใครไหมนะเพราะเรื่องนี้เขามาเอามาคุยกันระว่บบางกัน ตรงนี้ก็ในลักษณะเดียวกันที่จะยกข้อความเกี่ยวที่ว่าเพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นกรณะเนี่ยนะภิกษุมีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงามกล่าวอวดอ้างอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่แล้วก็เป็นอุตริมนุสธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นถึงกับเป็นอบัตปาราชิกจากข้อความในจตุทปาราชิกศิกขาบทที่4เนี่ยนะ เราก็ควรฟังสิกขาบทนี้ไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เกี่ยวข้องกับพระภิกษุเนี่ยนะเราก็จะได้หนึ่งท่านใช้คําเราก็จะได้สงข้อท่านหน่อยนะฮะพูดเอ๊ท่านพูดนี้ไม่คดีแล้วนะนะมันไก่ต่อสีของท่านนะนะอาจจะช่วยเตือนเตือนท่านหน่อยนัยะหนึ่งและอีกนัยะหนึ่งเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระภิกษุเอามาหลอกลวง เขาเรียกว่ามหาโจรที่มาในคราบนักบุญก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะเขาบอกว่าศัตรูที่มาในคราบเป็นมิตรเนี่ยนะแสดงนะปลอมตัวมาเนี่ยเป็นคนรับใช้ตื่นก่อนนอนทีหลังเลี้ยงดูปูเสือ้อทางานอย่างดีถึงยังไงคนนั้นก็ยังเรียกว่าผู้ฆ่าเป็นศัตรูอยู่นั่นแหละนะถึงจะมาทําตัวอย่างดีเลยก็เรียกว่าศัตรูเพราะเขารอเวลาฆ่าอย่างเดียวนักบุญนี้เหล่านี้ก็เหมือนกัน ถึงจำเป็นมหาโจรที่มาในคราบของนักบุญอันนี้ก็เป็นคนที่ที่น่ากลัวเหมือนกันนะจ ะ, ะโจรประเภทอื่นเนี่ยนะถ้าปล้นนะั่นะชาวบ้านจะรู้ว่าปล้อนอะไรไปบ้างแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้เพราะเพราะอะไรเพราะกราบไหว้แล้วยกทูลหัวให้เา่าบอกงั้นซึ่งคนที่ถูกปล้นเนี่ยไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยแล้วพระพิสุที่อวดในลักษณะนี้พระผู้มีพระภาคเรียกว่ามหาโจร ในเรื่องจตุถาปาราชิกเรื่องภิกษุนะพวกพิกษุหวังฝั่งแม่นม้ำวักคู่มุทาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่นะกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นพิกษุมากรวบด้วยกันซึ่งเคยเห็นร่วมคบกันมาจําภาษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่นม้ําวักคู่มุทาก็สมัยนั้นวัดชีชนบท อัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองมีข้าวตายฝอยข้าวตายฝอยก็คือพอดำเสร็จใช่ไหมกำลังจะ ง, งามๆหน่อยฝนแรงเนี่ยมันก็แห้งลงแห้งลงแห้งล ง, ง, งต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทสแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายนะบินธบาตไม่พอฉันแต่ละวันแต่ละวัน จึงภิกษุเหล่านั้นก็คิดกันว่าบัดนี้วัดชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองมีข้าวตายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทสแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายพวกเราจะพึงเป็นอยู่ะนะจะพึงเป็นผู้พร้อมเพียงกัน ร, ร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จำพรษาเป็นภาสุข และจะไม่ลำบากด้วยบินทบาทด้วยอุบายอย่างไรหนออันนี้ปรึกษาพระพิสุท่านมาปรึกษากันนะน ะ, ะเมื่อเราจะอยู่กันตั้งหลายรูปอยู่กันมากอย่างเนี้ยบินทบาทไม่พอฉันอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงชีวิตสมณะเพศก็ผาสุขนะคิดดูนะว่าเออฝนไม่ตกพังกันเดือดร้อนกันนะไหนะย้ายที่อยู่ยะ คือมัน ย, า ย, ย้ายยังไงเพราะที่ไหนที่หนนุ่งแห่งทั้งประเทศมันแห้งแรงอย่างนี้เกือบหมดอ่ะมันไม่พอจะฉันอยู่เกือบทั่วไปเลยนะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็สมัยนั้นมันเดินเท้าอย่างเดียว <c oughs> คือบางบางยุบางยุคที่เคยฟังมาเนี่ยนะอดอยากถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ชาวบ้านเองเนี่ยนะก็ต้องตัดต้นมะละกอแล้วเอาแกนในมาต้มกับข้าวสารผสมกันแล้วกินเท่าที่เคยฟังมานะทางทางชนบท เพราะว่าเข้าวสารเนี่ยไอ้สมัยที่ใช้เกวียนเดินทางเนี่ยจะไปซื้อข้าวสารสักกระสอบหนึ่งเนี่ยนะเดินทางเป็นอาทิตย์เนี่ยนะเพื่อไปซื้อมาซึ่งนึกถึงสมัยเกวียนเนี่ยนะไม่เหมือนกับสมัยนี้หกกรุงเทพเหมือนกับอ้าวเช้าอยู่กรุงเทพเย็นอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ย น, น, นะทีนี้พอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพิกษสูทั้งหลายท่านก็ปรึกษากันอ่าพิกษสูบางพวกก็เสนอความคิดขึ้นว่า ภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายผฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของครือัดเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกพวกเขาจักมุ่งถวายบินทบาตแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจะเป็นผู้พร้อมเพียงกัน ร, ร่วมใจกันไม่วิวาทการอยู่จำพรรษาเป็นภาสุขและจักไม่ลำบากด้วยบินทบาตโอถ้กงานนี้นะพรรษานี้จะรอดพนได้เราก็ไปช่วยชาวบ้านทํางานกันแล้วกันนี่นนะเขาก็จะแบ่งให้เราฉันมั่งละมั่งเหมนกันนะ องค์ที่หนึ่งเสนอความเห็นขึ้นมาบางพวกพูดอย่างนี้ว่าไม่ควรท่านทั้ ง, ง, งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกเครหอขัดท่านทั้ ง, งหลายผีเชนนั้นพวกเราจงช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ของทูตของพวกครือขัดเถิดเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจักมุ่งถวายบินทบาตรแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจักเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร, ร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาผาสุก และจักไม่ลำบากด้วยบินทะบาทก็ไปรับใช้เขาดีกว่านะรับส่งข่าวสารให้เขาไปช่วยงานเขา